ทำานโรกไม้อางเจ้าหมกว่าเื่กายวใจานาูกหม้อยไงเคือูเท่ามันเคือเบือควบนองจะคล้องจะไปเยึ้ื <uire> ้อออไปจะคล้องนะยังไงที่จะคล้องเขาไปเยึ้อื้อออไปจะคล้องมันก็เป็นโทษวัดรองสั่งว่าผูู้เป็นเจ้าสาผูู้ผู้เห็นเป็นเจ้าผู้เห็นยูดตามจิกําน้งของตนใมกรรมฐานเดิมพระท่านเทากับเป็นวาเสียขาดละแรงแต่น้ำมาต่าเลื้งเลี้ยงไฟบนเครื่องบนอแรไฟปรมา เื่องนิมิตอันนนี่กันเป็นเาพขแห้งหละโตมูต้โตมาเรียบกางเทาน้ากดรอกถ้าตกหมหัวเขาแห้งเนี่ย่าเทียบเตียงอยู่ผ้าห่อจะทอากาศปุ่นปื้นควาเมเพื้อนไงปวดเมื่อกลมกระซออร่อยหกันว่ า, าอันนี้จั ง, งละเอียดท่าเทียบเดินจะกลันอากาศป่นท่าเทียบตีละ ก, กาพอกท่าเทียนิมิตทุ่งไปสรุปเขา เขาเกิดพิีเขาขอไปนัเมตุภูเขาผุดนะมุดกาลังกับถอนออกมาเสียก่อนอันนี้จําพวกพูดไม่รู้ทจริงข่านมากระพุ่น่านมาได้องี่รอแปดถุนในเมตมื่อตกบาราหกก้อนโ ต, ตแล้วโตมาโตลำหลังเขาหอกรู้ภาษาบ่าวรู้ไหมรู้ภาษาไหมรู้รู รู้ภาษาทีู้ว่าทําไมรู้นะกันแ้วทำไมรูกก็กระหูใหม่ผมผมไม่เข้าใจวาเข้าใจหรือเปล่าวาเข้าใจเข้าใจไหมคนนี้เาคนหลังหมดหละคนหลังน่นต่างนี่นิดต่างเกิดขึ้นนี่นิดต่างเกิดขึ้นหลวงปู่ผ่านมาแต่สามันี่แปดลูกลูกของร้านพวกนี้คงยังไม่เกิดสามพันี่รแปบแปคงยังไม่เกิด นั่นแล้วไม่ได้เกิดแล้วปูผ่านมาแล้วนี่มิตรหลายเกิดขึ้นแล้วแปลปวดแล้วแตกสลายถ้าเราไปตามในมิตรก็เรียกว่าภาวานาออกนอกเรียกว่าตะออกุกนอเราทีนี้ก็แปลว่าเร า, าเสือกขาดเลนี่ว่าเสือกขาด ก, ก็เปรี่ยวไปตามลมก็คือข้ากับว่าม้าตาเหลืองเห็นไฟที่ไหนก็วิ่งใส่แล้วดูหนาว ห้าตาเหลืองเขียนไฟเรื่องที่ไหนก็วินใส่นี้ไม่โกงกันนี่ม่ท่าไหร่บางทีเป็นแสงพระอาทิตย์ด้วยเป็นแสงพระจันด้วยเป็นแสงตะเกียงเจ้าพยุบ้างติดขึ้น่อกาแฟควรได้แต่ตานะเราอย่าไปเที่งนอกอย่าลืมกรรมฐานเดิมของเราถ้าเราลืมกรรมฐานเดิมของเราเขาเรียกว่าว่าเสี้ยบกรรมฐานเดิมของเราก็พิจารณาพุทโธคนดีหรือเคยพิจารณาลมหายใจเขาออกก็ดีก็อยู่ตามกรรมฐานเดิมของเรานะเรียกว่าอยู่ตาประชานเดิม ถ้าออกจากอาจารย์เดิมไปแล้วไม่ไหวละจริงแล้วนั่นม า, า, มาเกยมาพลาดมันเกิดเพราะเนี่ยเขาแปรปรวนแต่สลายต้องอยู่ตามอาจารย์เลยมล้าใครคับเรานั่งในเรือเราจะนี้จากเรือไม่ได้เรือจมต้องก็ต้องอยู่ในเรือนั่นถ้านี้จากเรือจะตายนะ้วเดินใจไหมที่นี่ก็ใ <c oughs> ช่นิมิตแปลว่าเครื่องหมาย มันก็พอหมายหมายพอมันเหมือนนั่นเอ ง, เองมันแค่เป็นของจริงก็จริงตามนิมิตนั่นแหะความเกิดขึ้นกปลโพนแดชสลายตรงนั้นนิมิตสลายไม่อยู่ใต้ไม่อยู่เหนืออำนาจอนิจจังอยู่ใต้อำนาจอนิจจังตรงนั้นนิมิตสลายในใต้โลกธาตุมีนิมิตนั่นะนิมิตเดิมที่เราตั้งไว้อาจารย์เดิมเดี๋ยวเรีกไปเอาหนังสือหนังสือเดิมหน่อยมาดูเมน่อยนาเมใหญ่มาก เรยมายมาหายคนเร่เดียวนะก็นี่มามาด้วยกันทํามันี่ยไม่ทำไมมาแต่ปูนะเงินไม่นกเออเยนูเหตุสามกูโดนเนื่งโตท่านไนเราบอกนี่นตื้อพวกผมเอาไปไล่ข้อเราผมว่านี่ยหาสิพงศย่งผมเอาไปแจกนู้คนอ่ะเนี้แต่ว่าว่าอะไรทอย่างว่าผมใสอาจารย์ทุนทาเขาก็ได้เลานได้ต้นกลีที่เป็นางหอูงเหลืออยู่ป่าใ่ะ เขากำลังพิ่มอยู่แก่เท่าไหก็พอได้เขาอย่างเพิ่มอยู่ยังไม่ทันมาเอาลินน้ำฝอยูกปูวันแนมเหรอแนลูกยมีลาที่จะมาที่นี่ลายนุ่งเหรออืมแม่งจะขายเนาะแม่งจะซื้อแล้วขายเนาะให้เฉย ไม่ไมนั่นหรอกเพราะพวกนี้เขาไม่มีปัญหาหรอกเอ อ, อี่สิมีแม่เขาจะมาอีกแล้วจะมาหาปู่แล้วยอมีลานแม่ไม่ใี่ไรหรอกเออถามหลวงปู่เรื่องแพทย์ท่านั้ถามอาไรท่านเป็นโรคันไทยอะไร เดีวต้องั่นนันมาตตูมนี่ได้ได้แล้วหรือยังไ น, ะ น, น, นี่นี่นี่ใครยำมาทานได้คุณหนูคนุณยำมาทันได้ใช่ไหมอะ่ะมาเอาอืมเอาไปนะเอาไปานมันอีกไปไดนตัวมาคู่กักนทนานเหรอไม่ได้หรอวเว้ เียวเข้ามาเกี่ยก่อนลุงผูให้ไปหอหนายอจันาร์นนอันนั้นเนี่ยมนเนี่ยปียังไงในกรมรวจผมานผมจะต้นยี่หวังอะไรเล่นเอาโลดแร้วผมยี่เหียมเดียวแวก็โลดใหญ่ใส่ไป น, นมาตูจะถวายอะไรกันจะถวายกัวตอนนี้ นี่คนคนั้นเขาฝากเขาเขาแม่ีหนัก็ม่ีอ๋อเอาให้เขาเจ้าเนี่ยเอาไป้เขาจ้าเาขอมาเขาขอมาต้องให้ขเรามีอยู่เอ้ไม่ตม่มีเบาที่หน่ให้เบาที่เอาดอกีคืนมาเบาอ่างนี้เส้นน เรือะไรเรเะนี่เรืนี่นพิศดารกว่าของไม้หของนเาเลยเรืนี่พิศดารกว่าสองตนหน้า ห, น, ห น, น้าปกข้างหลังหน้าปกข้างหลังเพิ่มอีกหน้าปข้างหลังเพิ่มอีกท่ น, นบบอเจอ้ากันหเป่ มันัวูตุนแล้วผมคิดแต่าเขาเลยกาศเมื่านูแบไม่มีขึ้นเลคุณพันธุ์จะทำปูปัการกับมันนั่นการพิธีวัดคิ้วยหลอเนาะเป็นอนอะไนี่โตเป็นคนขับรถนั่นวะเป็นคนขับรถใช่ไหมไม่น่นคนขับรถมีสามคนเนี่ยคนหลังนนคนขับรถคนนี้อยากให้ไปขับรถเนาะคนไหนที่เขาจะผิดวิปรัสนี่ เออตัวนี้หรือนะคนโน้นเขาภวนาเขาเดือดมีตกอยู่โอ้เราคนนี้ว่าคนนี้ไช่คนโน้นคนเล็ก ต, ตัวนี้นี้ตัง้งคาถามไว้ที่ไหนต้องเอาไว้ที่นั่นเนอะเวลาขับรถก็พุทโถพุทโธอยู่กับมือพุทโถพุทธโถอยู่กับมือตามองไปพอที่จะแรกเขาเป็นแฝงไม่พอขึ้นหน้าเขาก็ยกขึ้นอืม มันทางสี่แยกสามแยะสองแย ก, แยกมันจะผ่านโทษเราจึงผ่านมันต้องยังไม่ผ่านโดษเราก็รอเดี๋ยก่อนที่เราจะแซงเขาเหมือนกันมัวทั้ภาวนาด้วยทั้งแซงเขาด้วยอืไม่ได้อันนี้นทั้งภาวนาด้วยทั้งแซงเขาด้ว ย, นนะวว ย, วยก็ไม่ถูกอันนะั้น ต้องดูให้ชัดเสียก่อนว่าเราจะแซงผ่านพ้นไปไหมบางทีเข้ามาครังหน้าอีกบางทีเข้ามาข้างหลังอีกกะทบกันเข้าไปสี่คันมันก็ชนกันม้วนลงในที่นั่นเลย น, นพอที่จะพ้นเราจรึงไปแซงเขามันพอที่จะพ้นเราไปแซงเขาทางโค้งก็จะไปแทงกพรเรามองมาเห็น่ะทางตรงๆเราจรึงไปแซงทางโค้งเราจะไปแซงเพอเรากําลังแซงอยู่ที่ทางหน้ัน้นโคง้งใช่ไหม พอรัสเซียทางนี้แหละทางนั้นมาพอดีกันชนกันเลยคนหนูอยอย่าไปทิ่งกรรมฐานเดิมเห็นในมิตรนิวัดอะไรเขาช่างมันนิมิตทั้งหลายมันเกิดขึ้นแน่แปลปวนให้แตกสลายเท่านั้นแหละมันจะได้อำนาจอนิจจงได้ในโลกล้วนอ น, นิจจงได้ในโลกล้วนทุกขงังได้ใรโลก้วนอนัตตาย่าต้องใช้เรานาทั้งอดีตทั้งองนาคตเกิดขึ้นแนแปลป่วน้แตกสลาย เราต้องอยู่กับกรรมฐานเดิมกรรมฐานเดิมในปัจจุบันปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรมของเรานี้เรียกว่ากรรมฐานเดิมมิมิตตีลังกาในอากาศเหาะเหินเดินอากาศในอากาศแล้วก็เดินโยกลมในอากาศปรากฏว่าเหาะไปปรากฏว่าเหาะไปทะลุภูเขาแสงสว่างมันทะลุภูเขาบางท่านไม่เชื่อเหาะทะลุภูเขาเหาะแบบไหนหัวต้องแตกตายไม่เชื่อ ก็ไม่เชื่อหรอเพราะต้นมันเป็นอุปจาระสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอุปจาระสมาธิทังนั้นจะระแปลว่าไปแปล ว, ว่าไปตามนี้นิดเหาทะลุภูเขาคือแสงสว่างของเรามันพุ่งทะลุภูเขาไปแล้วก็เหาะไปตามแสงสว่างนะั้นเรียกว่าทะลุภูเขาเนะี่ยอนั้นมันทางมันเป็นทางสมถะเป็นทางอุปจาระสมาธิ มันจริงเพียงแค่ไหนมันก็จริงเพียงแค่เกิดแค่ดับนั่นเองมันไม่จริงเพียงเพียงแค่ไม่เกิดไม่ดับพระนิพพานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะนิพพานมันเปปรากฏว่ามีดินมีน้ามีไฟมีลมมีอะไรต่ออะไรมีสุขทุกขเวกขาอันใดพระนิพพานสุขทุกขเบทขาไม่เป็นเรื่องของขันธวิบากพระนิพพานไม่ติดอยู่ในสุขทุกขเวกขาด้วยไม่ติดอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตด้วยจะรู้ตามในจริงมีพระสติพระปัญญาเมื่อไหร่ไม่ติดอยู่จิตเป็นคิดว่าทําเป็นธรรว่า พระปราชญราคะโทสาโมหะเกิดก็ดีทำก็ดี น, นั่นเปนมาเป็นอันหนึ่งอันที่แ้กภาวนาพุโทโธใช่ไหมหรือภาวนาอะไรฮะออพุโทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเกิ ด, ไ ม, ามากดไม่พามาตายพุโทโธไม่พาาหลงในมิตรทั้งหลายในมิตรแปลวเครื่องหมายห ม, มายไปที่ไหนมันก็เพราะมันเหมือนหมุนๆนี่แหละมันไม่แช่ของจริงหรอก อ, อันนี้มิตเดิมใช้ตา้งไว้เอ ง, เอ ง, เองนี่มิตเดิมเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็เกิดขึ้นจากนี้พุทโธพุทโธผู้บริกรรมพุทโธก็เป็นผู้เกิดผู้ดับแต่พุณของพุทโธไม่ได้เกิดได้ดับไปไห น, นผู้บริกรรมพุทโธคือเจตสิกธรรมที่เป็นอารมณ์เกิดกับใจเป็นบุญบ้างเป็นบาบ้างเป็นกลางๆว่าเรื่องาคิดตาสัางขารเกิดขึ้นกระดับไปเหมือนกันนะ ถึงตอนี้เราปูกตกนรกมาแล้วโลกูกหลานมาตกนรกภายหลังตกนรกภาวนางําท่านนี้เป็นของละเอียดเหมือนกันถึงอย่างนั้นมันก็ยังเกิดยังดับอยู่อุษณพ้ น, นบุญเน่ยขั้นนี้มันเป็นของละเอียดเหมือนกันถึงอย่างนั้นมันก็เกิดก็ดับอยู่เหมือนกันเป็นสังขารบุญเป็นปุญญาที่สังขารที่สังขารเกิดบุญ เป็นอนินชาเปนสังขารอเป็นสังาสังขารเกลื่ อ, อนชาเป็นภาวนาสังขารเป็นจิตตาจสังขารเป็นสมาธิสังขารเปิดปัญญาสังขารสังขารเหล่านี้ก็มาให้ถือมั่นเหมือนกันรูปตามเป็นจริงยถาภูตังสัมมักปัญญาญาถาสังท่านทั้งหลายจงรู้ตามจริงเถิดรูปในอรีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันรูปใดใด ก, ก็ตามรูปเป็นอปพัดก่อน หรือเป็นแสงจันงดาวหรือเป็นเทวุธเทวราอะไรก็ทางเธอทั้งหลายจงรู้ตามนิ่งท้่เป็นจักรวารู่มไม่ใช่สัรไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาหรือเกิดขึ้นได้วยความแกางเธอทั้งหลายจงรู้จักหลักอันนี้เั้นอารมศาสต์ทราเนาความเคยอารมณ์ุขทุกขเวทาเหมือนกันเกิดขึ้นไ้พราะแรงผลแห่งแตกตางกันสัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโสดพระจำธรรมารมณ์เยเรียกว่ารูปะสัญญาััญญาคันสัญญาลสรสัญญาปุถะสัญญาธรรมะสัญญา สัญญาเรานี่น่ะมันเกิดขึ้นไปเห็นรูกประสัญญาในรูปกก็เรียกว่าลูปะสัญญาความจําในลูกเราได้ยินเสียงก็จํานในเสียงเรียกว่าสัทธะสัญญ า, า, นานจํำในกลิ่นเรียกว่าาณะสัญญาจาในรสเรียกว่าลักษะสัญญาจำในผู้ศทธาเรียกว่าผู้รัสัญญาจําในธรรมะธรรมะที่มากระทบใจเป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างดีดีชั่วมีอะไรต่ออะไรก็ตามเราเรียกว่าธรรมะสัญญาเรียกว่าธรรมารมณ์ทนจั๊จกคู่รมเรียกว่าอารมณหกเหมือนกัน อารม์กอายตนะภายในมีญาตเป็นต้นอายตนาภายนอกอยลู่เป็นต้นวิญญาณจกูวิญญาณ็นทุกข์กันเรียสัมผัสมีชื่อตามายุกัยภายนัเป็นหนคือจักูสัมผัสปชาอนาโทสะสัมผัสชาวนาสัรสัมผัสาอนาชิวหาสัมัสชานากายะสัมผัสชานามโนสัมผัสชาอสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเรศนาคือจกูสัมผัสโทสะสัมผัสการะสัมผัสชิวาัมผักายสัมผัสมโนสัมผัเรียกตามารี สัมผัสนั่นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือสุบ้างคู่บ้างอบิคขาบ้างเกิดขึ้นนักกาแฟปวดตั่นแตกสายเธอทั้งหลายไม่ควรคำหนึ่งเธอทั้งหลายไม่ควรหลงยถาผู้ต่างสำมะปัญญากระทัดปัญญากรัดตานั่นก็ไม่ใช่เรานั่นก็ไม่ใช่ของเราเน้อเกิดขึ้นนักกาแฟปวดนันแต่สายเนี้ยฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าพิทูลทั้งหลายวูมิศกุมารธิกาทั้งหลายเธอจงเป็นผู้รู้จักตาเธอจงเป็นผู้รู้จักรูปเธอจงเป็นผู้รู้จักเสียงเธอจงเป็นผู้รู้จักหิ่ง เธอเป็นจงเป็นผู้รู้จักกิ่งเธอจงเป็นผู้รู้จักจม nah. ูกเธอเธอเพิ่งเป็นผูเป็นผู้รู้จักลิ่นเธอจงเป็นผู้รู้จักรถไม่ใช่รถเหราไม่ใช่นิ ah ่งเราตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนนิ่นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนกายใจไม่ใช่ตัวตนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยตัวรู้ทำเป็นจริงแม้ความกระเจิดอยู่นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนีน่ี่มันเหมือนตัวอย่างนี้อันเป็นรอบขวามันมันมีเกิดมีดับอยู่ในตัวแล้วนะคิดใจของเราก็้ามั่นกันเกิดดับอยู่ในตัวเดี๋ยึกันนั้นเยอะนึกอัน น, น cons, shore, ี้เยอะพูดอันนั้นเยอพูดอันนี้หายใจเข้าหายใจออกเข้ามั่นกันหายใจเข้าข้างนึ่งมีทั้งเกิดทั้งดับทั้งแปลปวนแล้วทั้งดับไปแล้วหายใจออกข้างหนึ่งก็มีทั้งเกิดขึ้นแปลปวนแล้วดับไปหาระหว่างไม่ได้ียึดเราบรรยากาศเป็นต้นลมมัน <Moscow> ก <out> ็กลายมาเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลม ลบออกก็เหมือนกันลบเข้าก็เหมือนกันนั่นผู้บริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้อยมางมันกเกิดดับกันผู้บริกรรมพุทโธด้เกิดดัคุณของพุทโธเขาไม่ได้เกิดไม่ดับคุณของสัมโภคเขไม่ได้เกิดดับคุณของสังโฆเขาไม่โกรธเกิดไม่ดับวมกลมกืนเป็นเชือกสามเกลียวอันเดียวกันคุณพุทโธสัมโภคสังโฆคุณแปดหมื่นสีพันธรรมะขันธ์ก็เหมือนกันรวมกลมกืนกเป็นเชือกแปดหมื่นีพันธรรมขันธ์เกลียวนั่นเอง แต่เีพระธรรมขันธ์ก็ย่นลงมาเป็นใจศึกขาเป็นชินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาย่นลงมาเป็นเอขันิบคือเอกระติเอกรมทำโอที่พระชีอธรรมสามขจายตากสุตัพระักประธานสี่อินรีย์บาที่อินทรีย์ห้าพันห้าพจน์นี้เขาเก็บนักมออกแฝดก็ย่นลงมาเป็นชินมาี่ปัญญาศินสมาธิปัญญาก็ย่นลงมาเป็นเอขันิบในปัจจุบันที่กรรมฐานเราตั้งไว้นิกำสงอยู่ในที่นั้น มหาสติก็อยู่ในกรรมฐานที่เราตั้งไว้มหาปัญญาก็อยู่ในกรรมฐานที่เราตั้งไว้ในปัจจุบันนั่นเองนี่เทียบกว่านี่นิดเดิมกรรมฐานเดิมอาจารย์เดิมอุปชาเดิมอาจารย์เดิมนี่ิดเดิมมรดกเดิมไม่ควรไปพองในสิอื่นอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของมันที่เกิดมันดับไป้าเป็นเรื่องของมันเราไม่ได้เกิดเราไม่สําคัญตัวไปเกิดไปเราก็มันด้วย เข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วให้ขับรถเนอะเดี๋ยวพากระโดดตรงร้องเนอะไม่ต้องฝากตวอ่าให้ขับรถเนอเดี๋ยวสำคัญตัวเราพารถเหาะไปละทุกวันนะทุกวันอะเงยโอ้มันมันไปชนเขาหรือชนมาสองข้างอะชนมาอข้างแล้วนั่น ภาวนาตอนนี้ใคยบอกไม่ค่อยลงเน ะ, อ, ะอืมเอาแต่ทิ้ติ้ตนนนะุมทุ่ะไม่ลงง่ายๆตอนภ า, า, าวนาไม่เป็นกับเขามาเทศให้เขามันปูอย่างนะั้นหรอกคิดชันนี้คิดชันนี้ตอนภาวนาไม่เป็นกับเขามาเทศเขาคิดชันนี้มันไม่ค่อยลงนะถูกไหมู้มหัวลงแล้วมาแล้ว อ, อ น, นี่านานตามโคตรไปแล้วมันจะบัตรใหมๆ่ๆรับตาเข้าอย่างนี้ มันเห็นเป็นแสงเดือนแสงดาวอยู่ต ะ, ตตะพุทธตะเพอทีนี้พอเราตามไปตามไปมันก็เปลี่ยนไปเองเนี่เป็นเสียงเสงียงเหลืองๆว่าเป็นแสงขาวๆว่าเป็นเสียงอัป พ, พัดสอนว่าสารัดบ้านที่ก็เป็นแสงเหมือนพระอาทิตย์มาเนี่มานี่มาเนี่าปุ๊ก็เรียกเลยไม่เห็นมันสอสแสดงอั น, นิีจังแล้วนี่ บางทีก็เห่อเหือเดินอาคาศจนไปถึงประเทศกรับเตียมันปรากฏไปบางทีก็ปรากฏเหาะข้ามทะเลข้ามภูเขาเวลาลงก็พยุงตัวลงเพรอะพยุงตัวลงอะไรเอ ง, งบางทีก็นอนไปถ่าอากาศเลยสิ่งเหล่านี้เป็นในมิตเป็นอุปจารสมาธิทางนั้นแหละไม่ใช่อัปนาสมาธิหรอกอัปนาสมาธิเระเข้าไปในแบบหนึสมาธิแบบหนึ่งเข้าไปแลแบบ้วหูอะไรเอง สมาธิแบบหนึ่งไม่ได้เย็นเลยเข้าไปเที่ยวสมาธิแบบหนึ่งเข้าไปแล้วนิมิตต่างๆมานิมิตต่างๆมาพอนิสัยของเราไม่เป็นอย่างนั้นพอเห็นนิมิตทั้งหลายก็เทียบลงในอนิจจังตัวขังอนาตตาเลยนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ภาวนาให้นิมิตทั้งหลายเกิดขึ้น เราก็ไม่ได้ภาวนาให้นิมิตทั้งหลายแปรปวนเราก็ไม่ได้ภาวนานิมิตทั้งหลายดับไปมันกันมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แสดงภาพพจนแปรปวนมันก็แสดงภาพภาพพจดับไปเท่านั้นภาพพดนของมันมีเท่านั้นไม่มีอันอื่นลูกไม้ของมันมีเท่านั้นไม่มีออื่นเมื่อมันลูกไม้ของมันมีเกิดขึ้นแปรปวนและดับไปเท่านั้นเราจะไลงมันทำไมเราก็รู้ตามในจริงเราเผื่สักนั่นตัวอย่างเช่นนะคะคือว่าฝัน ม่นจะไปเห็นที่นู่นที่นี่แล้วพอไปก็เห็นอย่างในฝันทุกั้ทุกครั้ไปทีนี้ก็เกิดเกิด่าวว่ากลัวว่าจ็ทักเหลือฝันว่าตัวเองจะต้องตายหรือตเองจะต้องตกสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยี่เขาจะทตัวไม่ทำอย่างไรอน่ยตัวของเราไม่ตายถ้าหากว่าตายแล้วมันจะรู้อะไรมันก็ตายจะรู้ขันนาขั น, ขนแล้วกับพี่ใหญอย่างนั้นมันเปนกลัวเนเจ้ามันกลัว ว, ว, ว่าพราว่า มัันนนททีี่่่เเเราาจจะป็ิงงลยยอฝถ้ามันมันฝันเป็นจริงอย่างมันขอให้มันฝันเป็นพระนั่งหันดูสิเขาบอกมันอย่างนี้สิมันจะจริงไหมถ้าฝันเป็นจริงอย่างนั้นต้องฝันเห็นเป็นฝันเป็นพระนหันดูสิก็ถามมันอีกสิถ้ามันฝันเป็นพระนหันถ้ามันเป็นพระนหันจริงมันก็ไม่มีโรคไม่ปวดไม่หลง ถ้าไม่มีรคมีโกรธอยู่ไม่หลงอยู่กเออมันมึโกหกปู่เราก็พูดอย่างนั้นอ่ะนี่ถ้ามีพูกพูดคัดค้านนะมันโกรธให้เขาไหมถ้ามันโกรธให้เขาอยู่ไม่ใช่พระหลังนะถ้ามันอวดดีอยู่อ้าไม่เท่าเราไม่เท่าเราอย่างนี้มันก็ไม่ใช่พระหลังพระหลังไม่เที่ยบกับใครเลยเป็นผู้เลิกว่าเขาสำคัญตัวเลิกว่าเขาเป็นผู้เลิกว่าเขาสำคัญต่วเสมอเขาเป็นผู้ สมอเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมมติเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาทสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาสำคัญในข้าวข้อแล้วไม่มีในพระทหารเนอนะอันนี้พวกเราเนี่ยมันหาเอาแล้วเนี่มีผู้มาเทศเราก็ไม่ลงเอ่ยเลยไอ้ระยำมันภาวนาไม่เหมือนเรามันมาเทศเอาเรามันนึกไกใจมันเสียงอย่างนั้นเฮ้ยตัวีเหลี่ยไป ถ, ถ, ถูกไหมคุณหนูถูกถูกไหมนั่นล็กปูเป็นมาแล้วอันนี้ล็อกปูข้ามทะเลข้ามทะเลนะล็กมาแล้วอันนี้เยวนี่ลอกปูไม่ได้เอาละล็ะอกปูเยอนี้เป็นตรัสรวารูปเป็นตรัสรวาเห็นพือพ่อความลมเพืาอหายใจเข้าเยวะนี้ล็กปูก่นะ มันเป็นสภาวะรูปเป็นแต่สภาวะเห็นผู้รู้เขาเป็นแต่สภาวรูปผเห็นเป็นแต่สภาวเห็นจิตเป็นแต่สภาวะจิตนิมิตเป็นแต่สภาวะนิมิตเราก็ไม ango, e humans, vemos, ่ใช่นิมิตนิมิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เราหลวงปู่ไปแถวนี้สบายเพราะวางฝันในตัวไม่สําคัญตนในใดในทางอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตก็เป็นแต่สภาวอดีตอนาคตก็เป็นแต่สภาอนาคตปัจจุบันก็เป็นแต่สภาวะปัจจุบันเพราะหลังมาศาสตราจารย์ยืนยันว่า เรารู้สมมุติตามเปำจริงของส ม, มุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมติเพราะเราไม่ยึดสมมติว่าเป็นเราเราเป็นสมมติมีมุิเราก็ล้วนตามจริงของมุดแต่เราไม่ยึดมีมุดเราเป็นเราเราเป็นมีมุดจิตเราก็ล้วตามเป็นจริงของจิตแต่เราไม่ยึดถือว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตผู้รู้เราก็รู้ตามเป็นจริงของผู้รู้แต่ว่าเราไม่สําคัญว่าเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราเมื่อเราไม่สําคัญใดใทั้งปวงทีนี้วิญญาณที่สันติของเราก็ดับไปหมดเราก็มาประกอบอยู่ที่ไหนอุปาทานของเราก็หายไปหมดพระบรมสารีราม รัฐบาลธรรมศาสตั้งแผนที่ไว้ให้เราแล้วถ้าเราไม่ถูกแผนที่อันั้นเราก็ไม่ถูกที่นีผููแต่งหนังสือมุตัวไทยของหลวงปู่มั่นขั้งที่หนึ่งท่ญญานอาจารย์ทองคำเป็นผู้แต่งในสมัยนั้นกําลังชาวพนักจิตท่ญญานอาจารมหาเสรับประศาทิกญญารทองคําผู้แต่งท่ญญานอาจารมหาบัวกําลังปฏิบัติโชคดนลอยู่ไม่แต่เราก็เป็นพระผู้น้อยเรากําลังรับแกะ่ระบพะอยู่ ใ ส, สมัยท้องพันศิลากข์ศรีษา 13. ในหนังสือชีวประวัติเรื่อนั้นธรรมะชั้นสูงมีคาำสาคัญ ม, มากชีวประวัติของท่านปุรยก็ตามมันสําคัญอยู่กับธรรมชั้นสูงแต่เรื่มน้อยเรื่มใหญ่หญสักเพียงไหนก็ตามมันสาคัญอยู่กับธรรมชั้นสูงถ้าสําคัญตนว่าไปอยู่ในที่ใดๆก็เป็นอันเขีนทั้งนั้นที่เราบรรยายว่า พระบรมสารีราาไปเสวยมุฒอยู่ในอัจวาลนนี่โคตกรีราชากษนะกรณีหรือไม่เกิดกรณีเราก็สมุดกันขึ้นไอจีแท้พระบรมศาสีาทําศสำคัญตัวเสวยที่ไหนไม่ทราบแล้วก็ผูกสมุตดมาเฉยๆนะใครจะไปตามรูปพระบรมสาสีากาที่เราผูกสมุดเราเสมอสวยมุฒิถูกอย่างนั้นอย่างนี้เพราโคตจ่าเกลียเนี่ยแล้วก็ผูกสมุตดเฉยไอจีแท้ท่านสาคัญอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบ เห็นเราเห็นท like like like like like ่านนั่งสันเข้าเห็นท่านเห็นท่านนั่งเทศอยู่เดี๋ยวนี้ท่านกําลังเทศอยู่จริงแต่ว่าท่านกำคำตัวอยู่ในที่ไหนเราไม่ทราบได้นะท่านไม่สาคัญตัวในที่ใดๆเลยเหมือนนกบินในอากาศมันไม่มีรอยบินวนอย่าข้ามมันก็ไม่มีรอยมือนนิ่เชือน้ำเชือนวนอยังข้ามมันก็ไม่มีรอย เหมือนเรือเดิในน้ำลอยเดินมันยังขับมันก็ไม่มีรอยเหมือนนาอมาพ้าขว้างปิ้งไปเท่าไรมันก็ไม่มีตะกอนจะให้มันอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีตะกอนปิ้งมันไปอย่างนี้มันก็ไม่มีตะกอนจะเชื่งมขึ้นตูเหมือนฟุตบอลมันก็ไม่มีตะกอนติดกองพลาหารก็อย่างท่านไม่ติดอยู่หนที่ใดที่หนึ่งเราห้ามไม่ให้ติดอันหนึ่งก็ไปติดอยู่อันหนึ่งมันก็ว่าอหญ่ตัวกเรา ของกูเขากูก็แบกเอาแบกเอาแบกเอาแบกเอาน้าตายอของกูเขากูนี่ยของกูเนี่กับของกูหลังอีกของกูนี่กัของกูนี่ก็ของกูนี่กัของกูกูไปกูมาก็ตายเลยนะคเข้าใจไหมล้วคุณหนูลงไมได้ไหมลงนะมาลง เสียงในใจไหมเดี๋ยวนี้เสียงในใจนะเถียงในใจทําไมหลวงปู่ผ่านมาแล้วหลวงปู่เห็นมาแล้วมันเป็นเรื่องเกิดดับทั้งนั้น น, นิมิตทั้งหลายนิมิทั้งหลายอยู่ใต้อานาจอันนี้จังไปเห็นอะไรก็เกิดขึ้นเห็นเทวบุตเทวเวลาเห็นอินกันอินภพกังเหกังวกันก็ฝันว่าเห็นคนนั่นคนนี้มันก็ฝันก่อนมากกเพราะเรามาถ้าฝันเนี่ยเราไม่มามันก็ไม่เห็นจะว่ายังไงจริงก็จิตของเรามาก่อนแล้ว ยิ่งข้อเราโม่งมาก่อนแล้วมันก็ฝันสิมมันก็ในมิติเห็นสิถ้าเราตั้งใจจะมาอยู่ถ้าเรามามันก็เห็นจริงถ้ายิ่งข้อเรามาก่อนแล้วยานข้อเรามาก่อนแล้วมันก็เป็นจริงสิถ้าเราไม่มามันก็ไม่เป็นจริงเหมือนกันมาหรือไม่มามันขึ้นกับเราเอาเราเห็นดินหน้าทุกวันนี่เราฝันเห็นหรือไม่เราไม่ฝันเห็นมันก็มีอยู่เพราะเราอยู่กับเด่นกับน้ากับไฟกับลมถูกไหมนั่น เราจะฝันเห็นหรืม่เห็นฝันเห็นมันก็มันก็จริงอยู่แล้วเยเราจะนิมิตเห็นหรือไม่นิมิตเห็นก็จริงอยู่แล้วในโลกธาตุพรามันมีแต่เกิดขึ้นได้เพราะในอดัตไปอันนี้จังเห็นอันนี้จังชณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบอย่างแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอันิีจังเห็นทุกขังชณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกขังเห็นอนัตตาชณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนัตตา ไม่ว่าแต่เช่านั่งนะหลวงปู <net> ่นั่งอยู่เดียวนี่เห็นดรสใจโลกธาตุมาเลยไม่ว่าแต่ภาวนาหลวงปู่ไม่ภาวนาก็เห็นเดียวเนี่ยพขาใจโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจอันนี้กลางก็เห็นอันนี้กางชัดมันก็เห็นใจโลกธาตุเท่านั้นนั่นเมื่อเห็นดินชัดมัก็เห็นใจโลกธาตุเท่านั้นพรใจโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินธาตุน้าธัตุไฟธาตุลมครบเหมือนกันนั่นอันนี้ด้านปัญญาไม่ใช่สมาธิหัวตอนเพื่อการความหลงกับคลอง ในโลกอ้าวพระโลกทั้งปวงมนะะุษย์โลกได้แก่โลกที่ลราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะตากรรมไปเจริญหกท่านภูมิโลกได้แก่โลกประภูมิสี่ท่านแล้วก็อารมโลกไปพรมสี่ท่านอีกพระโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแยกออกเป็นสองสังขารที่มีใจทองสังขารที่มันมีใจฟองรวมเป็นสังขารโลกมนุษย์โลกก็รวมลงมาในสังขารโลกเทวโลกก็รวมลงมาในสังขารโลกโอกาสโลกก็รวมลงมาในมาในสังขารโลก ธรรมโลกก็รวมลงมาในสังคโกสังขารโลกพรนิพพานาไม่ใ่โลกที่โลกข้างหลายอยู่ใต้อำนาจอนนี้จังเกิดขึ้ น, น, ปปน แ, ลแล้วปรากฏแล้แตกกระจายเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้นนปปวปรานฏแล้แตกกระจายก็เห็นโลกทั้งหมดหมดนั่งอยู่บัณล์รังเดียวคือบัลฑ์รังจิตไม่ใช่บัณลงังสกุลกุศุ น, น, นิบัลฑ์รังสติบัลฑ์รังปัญญามันยังไปกว่านี้นิดนันอีกซ้ําเราอยู่ในโลกจะมาเห็นโลกยังไงมันก็เห็นโลก ปลาอยู่ในน้าก็เห็นแต่น้าทีนี้เต่าเขาพูดให้มันฟังมันไม่มันมันมันมันไม่ยอมฟังเพราะเต่าตั้งขึ้นได้ขึ้นบกก็ได้ลงน้ำก็เป็นเต่าเออกูไม่เห็นโคกมันคิดว่าว่าเออมือเคยเห็นไหมทีนี้ปลาเขาบอกว่าเหมือนเหมือนโคนจมอยู่ที่นั่นไหมเออแล้วก็เหมือนขอนไม้ที่จมอยู่ในน้ำไหมออก็แล้วก็เหมือนเป็นถ้ำที่เป็นรูเข้าไปเนี่ยไม่เอาเคยไป ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราคือไปลาก็ไม่ปลาก็ไม่ฟังเพปาะปลาไปแต่หน้าก็เอาแต่หน้ามาเที่ยงฉันในกรีเราเคยเห็นแต่นิมิตก็เอาแต่นิวิตมายืนยันอั น, นิมิตทา้งหลายมันใช้อำนาจนีน้จารเกิดขึ้างคนน่าจะลายหนังผู้นะที่สักนิมิตลงมาถึงใจรักกับผู้ที่เรายืนยั น, นว่านิมิตเป็นเราเราเป็นนิวิตเราเห็นอันนั้นเราเห็นอันนี้น่ะกับผู้นะที่เขาท้องขันเขาไมาเห็นอะไร เหนงแต่ควเกิดเครื่อแปรปรวนแปรผันถลายตัวเราตัวเขาตัวสัตัวบุกคนก็ไมมีอยู่ในที่นั้นด้วยเกิดขึ้นในแปรปรวนแปรผันถลายทีนี้ผู้ที่เขาเห็นอย่างนั้นกับผู้ที่เราเห็นนวิทย์อันไหนมันอยากจริงผู้ที่เห็นอย่าไปสงสัยด้วยพิจาราทุกข์ก็เห็นอยู่พอมคัาลมหายใจเข้าออกเห็นทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอนนีจริงในปัจจุบันชักพอมความลมออกเข้าอันนี้จริงในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องใส่สงสัย ถ้าเห็นโลกเต็มไปด้วยกองทุนเนี่ยดนี่ผู้ที่เขาเห็นอย่างนั้นกับพูดที่เราเห็นนิมิตอันไหนมันอยากจริงพู้ที่เห็นอย่างนั้นละเอียดสว่ากันถูกไหมนะมันจะเป็นเหตุอะไรที่เรียนด้วยอุปท า, านด้วยอ น, นี้ของเรามันเป็นให้เราเอานิมิตอันนั้นไปขวางธรรมเทศนาคนอื่นต้นภาวนาไมเห็นเหมือนเขาล่ะมาปุ่มเทศเขาลเลยย้ำแค่น่ะจยุดใจ มันขู่มันขู่จะข้างในอ่ะอายีแทะตอนนั้นภาวนาตอนนั้าา น, นแต่คําพูดเขาเห็นจริงจรงนั่นมันเถียงอยู่ในไงอย่างนั้นเห็นจริงๆมันก็ไปผิดจริงจริงเพราเราไปยึดถือนียนั่นเราไปเอานะัา้นมาไปเคลื่อนบริสุทธิ์ของเราอายีแทะไม่บริสุทธิ์เพราะเกิดข้อเราจะบริสุทธิ์มาจากประตูไหนมันก็มีหน้าที่เทานั้นมันก็มีลูกไเท่านั้น ลูกใหม่ของโลกของมีกันเบิดขึ้นแต่ควรไมับไปเปไไปท่านั้นไม่มีอันอื่นเมื่อลูกมีมีเพียงเท่านั้นอุบายจะนายจะเบือ่อจะคลายเมานีว่ตาตาทองศาลเบื่อหนายความหลงขอ ง, งตัวชิบปปะยึดราช ด, ดาว่าเราว่าเขามันก็จะเบื่อหน่ายโอ้มันจะ่รุดพ้นก็สู่พรนิพพานเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เบื่อหน่ายโลกไม่ใช่สอนมาให้เราไปแบกเอาเห็น อ, อะไรก็แบกเอาเห็นอะไรก็แบกเอาเห็นอะไรก็แบกเอาใส่รถไฟเอาใส่เครืบินเอาไปขายสิไปขายใครใครก็ไม่เอาเพราะมันเต็มบ่าของใครของมันแล้วะ กข้าใจไหสิน่ารู้ตัวมอยาใส่ไม่ได้ป่านนี้ไม่ดูดุดุมากแ้วก็บ้านดอนเงินโอ้ผมเพราะว่าบ้านหลวงูอ่อนบ้านดอนเงิน มาเจ้าคนสามลูกปูก็เป็นงูขวกะีก็ลูกปูก็เป็นโรคทุงงาดีนิ่วนิ่วนิ่วทุ่งงามดีนิ่วทุ่าดีก็ไม่ในิ่วไตทีห้า้กปูก็เป็นโรคท่อมผิดกห ูก e ็เป็นโรคไข่น enfin ้องอกแล้วเจ็บลูกปูก็เป็นโรคชราอายุเยอปลกยน่ไม่สีนเวดนาีก็ไปนี่้เข้ามาเข้าไปมินนี้ม้างนแก่ม้าสีนักม่แล้จะไปจะมาถ้าเอาลกปูไปบางทีก็ลูกปูเข้าไปตรวโรแล้วลปูก็ต้องัดไปเอ็กร โรงพยาบาลซีนัคารินเขาเห็นเขาเห็นยาเอ็ l เทรเขาาเอให้ลูกูไม่เลียกับเอ็ดอกทีนี้เขาจะเอาลูกปูไปนอนข้างคืนลูงปูมี่รับไปนอนข้างคืนลกปปิญาเรียว่าจะไปไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลใดทั้งสิ้นเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดียเี๋ย เขาก็ห้ามบานกันเขาห้ามลุงปู่ไมาให้เอามาเพราะลงปู่เป็นคนโลกหัวใจเขาให้เอาอืเพรานี่เพอาะนะไปให้เพื่อนนั่นไปเนาะจะถ่ายก็ถ่ายสักถ้าได้ได้ถ่ายแล้วมากินข้าวก็ได้พวกเย็นไหม ฆ่าความร่วดหลงมาให้ตายแ้วฆ่าตัวตายแต่มันบาปเกิดชาหน้าเขาฆ่าตัวอีกฆ่าไปตะพื้ตะเบือจนเข้าสู่พระนิพพานน่ะเกิดชาหน้าฆ่าตัวตายอีกมันอยเ่มีสติอยู่ <c oughs> ขู่มันนั่นงกลัวไม่ไม่ไม่เคยมีใคาขูขนาดนี้กลัว <c oughs> ไป <c oughs> เยวะนะการเรียนไป ขู่นะขูนะนี่ว่าเราต่างหโอ้ไปดูสไลด์รถปูก็จะได้เดี๋ยวนี้ขึ้นไปดูสไลด์รถปูดูสิแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนก็ได้น้อแล้วดูข้างบนแล้วก็ ดูทางทิศตะวันตกเขาคงไม่ใส่กุญแจดอกก็เปิดได้ทางทิศตะ ว, วันออกนะถามคนงานเขาดูว่าถ้าเราเปิดประตูไม่เป็นถามเขามันเปิดอยู่ในตัวแล้วข้างล่างก็เปิดเข้าไปดูข้างในจึงจะเห็นข้างบนก็เปิดเข้าไปดูข้างในจึงจะเห็นถ้าไปเห็นกับข้างนอกก็าถ้าเขาไม่เห็น เดี๋ยวเฉียงนะซะมันเดี๋ยวมันเริ่มเขียงนะซ้เขาจะมาถ้าเอิดเขาเรียดรลยกันมันทำใเห็นตัแสดงโลมาได้เลยแสงโลมาก็แสดงคำดีเออมันจะถึเรื่องเขาหน่อเนาะอือบอกผาทักกองเขาดกคนทบเออทกองสืบอกเราป่ะบว่าสบอกว่นีถ้าเราเขาเห็นเนนถนี่ที่ทเจอือถานทีี่ังเฉยง เอะเดี๋ยวเดี <unseen fear> ๋ยวเดีเยนสุดเป็นขี้รถไก่เข้าอยู่ินไรเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษอืนไปยังมาเขียนะมันดีรถบกระดาษที่เทิอยู่เอางอีติดนที่ไปไหนหรมันดึงจะได้มันหลายแวเยอือันนจโอวไนมนดอันนี้อัส่วงช่ตัวนีเหรครับตัวแหลกนี่โอ้นี้ตัวนั้นตนเนาะโอ หลืองเงนกับพ่อป่าน่ะพุยิงมาให้กำแนเงีมนดีอยมบา้นนี่โภป่วยนั่นป่วยนี่เยอะเียนเก็บตัวยังที่ันเส้นแดงเลยวันเก็บตัวสิ่ตายโอวันลบมาซื้อเยวันลบมาซื้อเลยคนเก็บตัวสี่ตายคนเก็บตัวสิ่ตายไม่้มคใครๆก็แกอันนี้ปาฉะได้กลนแล้วเน นี่นี่นี่้นก็เป็นเครื่องูแหนเนี่ยต้มชาเนี่ยที่ต่ำต่ต่ำแอลกอฮอลใช่ไหมนี่บอต่ำไฟตัวแอลกอฮอลใช่ไหมพญายมอเลสแดงมาเฉือนองคชามาเฉือนทองมาเฉือนโยนีถ้าเป็นผู้หญิงจากนั้นมาก็เป็นเตดเปอนตุลึบมาก ออกจากเวทมาเขาเป็นสัพย์ที่รักษานึงเป็นทรัพย์ที่รักษาเขาต้องตายด้วยการมาลาคะถ้าเป็นโคถ้าเป็นโคก็โคตัวพวกก็แห่ไปแห่ไปรบลงเขาก็หยียบสิใต้ถ้าเป็นโคตัวเมียเขาแง่กันโ ค, โคตัวพวงงกวก็ต้องตายด้วยการมาลงนีอเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์สิมาเกิดเป็นมนุษย์มีลูกมีหลานอะไรเขาก็ไปเอาไปทําอันไม่ดีไม่ได้หมด มีหัวเขาก็มาเอาหัวมีเมียเขามาเอาเมียเขามาร่วงละเมิดรายชาติรายบตั้ง5้าร้ชาติไม่ใช่าติเดียวมันจะหมดนะดื่มชาาตาแดตตงนารกอีกเหมือนกันพยายมเอาน้ำยาแดงกอกปากคงตุกนรกอยู่หลายหมื่ปีที่พูดมานี่ทุกทุ่งยาก ต่อกากมนุษย์มาเขาคงคงเป็นเปรตอยู่หลายปีเหมือนปีปีในเมืองมนุษย์ก็ยังมากกว่าปีในมนุษย์อีกทีด้วยปีในนรกก็เป็นปีที่ยืดยาวเป็นเดือนขึ้นยาวเป็นวันที่ยืดยาวกว่าในมนุษย์นั่นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนบ้าบ่ายเสียจิตจิตมนุษย์อยู่ห้าร้อชาติอีกเหมือนกันเป็นคนได้บ้าง เป็นคำได้พูดไม่ออกพูดรูมูบีบีไปนั่นคือภาษาทั้งใบทั้งบอดก็มีบางที่ท้งหนวกก็มีน่ะเป็นคนไม่สมบูรณ์น่ะถึงเรานี่ยถ้าชาวพูดไม่สนใจจะให้ผีตัวไหนมาสนใจด้วยถ้าชาวพูดไม่เชื่อจะให้ผีตัวไหนมาเชื่อทีนี่ สิ er ่งเหล่านี้พูดออกจากปากพระสมานพระพุทธเจ้าท่งนั้นพวกเราเรียนก้าวท่านมาพูดเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งไหนสิ่งไหนพระพุทธเจ้าพูดแล้วอวยหมดแล้วสิ่งนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้พูดถ้าพระเจ้าหามาได้อะทะยืนยันอย่างนั้นก็บาปรับถังขราวยันฉลางเจว่าแล้วก่อนญี่ปุ่นนะกรณีสุดทางพม่าจียังประกาศใช้สิบริบูรณ์ในขณะนั้นท่านพัตั้งทายท เจิ้นเพิงเลย้ามขังตะวันางคุ้ติยามีตารามขังตะวันกางเจ้าสารนมานี่ข้าพเจ้าจึงยอมกราบว่าพระบริบูรณ์เลยไม่มีสิ่งที่จะเหลืออยู่อันนี้พระพุทธเจ้ายัไม่ได้พูดถ้าได้มาใหม่ใครพูดแต่ น, นั้นพูดนั่นอัตตกันดูทีนีพระพุทธเจ้าพูดเอาหมดแล้วในทางดีก็ดีในทางเสวกก็ดีนั่นธรรมะทังันธรรมะก้อนเดียวสังฆก็รมวันจันเราเรียมก้างของท่าน ทำดีก็จะเผู Việt, เขเขเ้ของใจทาชั่วเป็นผู้เบียดเบียนใจความชื่วก็ต้องมาเบียดเบียนใจเข้าใจเป็นผู้ทําความดีก็ต้องมาเป็นอิริศของใจในทางดีเข้าใจเป็นผู้ทำไม่มีใครมาแยกเอาเหตุเอาผลด้วยเข้าใจเป็นผู้ได้รับเหตุผลคนเดียวไม่มีใครมาแยกงใจเป็นของทิพย์ แต่ทำดีก็เป็นของทิพย์แต่ทําชั่วก็เป็นของทิพย์เหมือนกันที่เรียกว่าโรคทิพย์ก็คือใจทิพย์ความทิพย์นั่นเองนั่นแต่ไฟในเวลาไหนก็รอดเวลานั้นจับเดี๋ยวนี้พุ่งนี้ยิ่งจะรอดไม่ใช่หรือนี่ก็เรียกว่าโรคทิพย์เหมือนกันคนตายจับไม่เป็นคนเป็นไปจับไปลบหลุมฐานมือมันก็รอดในเวลานั้นเราเรียกว่าโรคทิพย์ทำดีในเวลาไห น, นก็ดีในเวลานั้น เหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นํามาสงสัยเหมือนกันเหตุใจอันใดที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นํามาไม่สงสัยเหมือนกันนั่นนี่ก็ผลมาหยู่หากันพอเศ9เหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางเหตุหลับผลก็มืดเี่ยลืมตาผลก็เห็นมนอ่ะมันเป็นโรคเท็จ บางท่านน่ะภาวนาไปดูเมืองนรกพาไปดูเมืองสวรรค์เราไม่ภาวนาไปดูเราเห็นเลยไงเมืองนรกเมืองสวรรค์เร า, านั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เห็นในใจโลกชาติเราเห็นรหน ร, นรนนกวัดเ น, นี่นยคิดกันแต่ว่านักเลือเบาเท่านั้นผู้คนจากนรกไปแล้วก็คือพระหัตถ์จำพวกเดียว์พระอนาคามีก็ยังตกนรกอยู่แต่ว่านรกเบาเป็นผู้เลิอดกว่าเขาทาคันต่อเลิอดกว่าเขา นี่นรกเพราะสําคัญตัวอยู่ยังมีอุปทานอยู่อุปทานอันละเอียดพระอนาคามีเป็นผู้เลิกกว่าเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลือกกว่าเขาสาคัญตัวเลิกกว่าเขาเป็นผู้เลือกกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิกกว่าเขาสําคัญตัวเดียวกว่าเขายังสาคัญตัวอยู่เพราะมีพระอุปเพราะเพราะมีอุปทานเพราะยังไม่เห็นอนัตตาชัด เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเลิวกว่าเขากิเลลของเขาอนาถานีเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเสมอเขาสําคัญตัวเสมอเขาก็เป็นกิียดก็มันไม่ไม่ไม่น่าเป็นกิเกลียดเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเรวกว่าเขาสาคัญตัวเรวกว่าเขามันก็ถอำตัวแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเกลียดมันยังเป็นกิเลดนั้นเป็นผู้เรวกว่าเขาสำคัญตัวเลิวกว่าเขาเป็นผู้เรวกว่าเขาสําคัญตัวเสมอเขาอันนี้ก็เกิเลดเหมือนกัน เูเร็วกว่าเขาทระจอเร็วกว่าเขาน่าเียกามานะเก้าของพระ อ, อนาคามียังมีอนะพวกเราถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ไปริ บ, ร บ, รบรตีริบีิิบีินันก็ยังเป็นจิเรศเพราะยังถอนอุปทานไม่ได้พออาหารจำพวกเดียวถอนอุปทานได้อาณาักรมัตก็กาลังจะถอนอุปทานอันนี้อรหักม พระอนาคามีกําลังจะก้าวขึ้นในอาตมะเมื่อถอนอันสิ่งเหล่านี้แล้วพระอนาคามีก็กลายเป็นพระานแม้ท่าคัญตัวอยู่ในอิทธิบทวิทยาบทใดๆทั้งสิ้นเจ้าว่าสมมุติก็ไม่มีพิษเจยาว่ามีมยมุติก็ไม่มีพิษเจ้าว่าไปก็ไม่มีพิษเจ้ว่ามาก็ไม่มีพิษเจ้ว่าลูกเสียงสีรถปวดสะพะสมาลงก็ไม่มีพิษเพราะท่านไม่มีเวรเหนื่อก็ใครเจ้ว่าสวยว่างามก็ไม่มีพิษเพราะจิตต์จิตอยู่เจ้ว่าไม่สวยไม่วามก็ไม่มีพิษเพราะจิตต์จิดอยู่ เพาะทานไม่ปิดเพราะไม่ท่านไป่้าวกับหน้ามะพร้าวที่มันมีอยู่ในผลของมันจะคว้างไปไหนมันก็ไม่มีตะกอนไปข้าวกับนกบินอากาศจะบินไปวันยังค่ำมันก็ไม่มีรอยจะถ่ายรูปออกมาเห็นแต่ตัวของมันรอยของมันไม่เห็นใช่ไหมไปข้ากกับเรือก็เดินแต่วันยังค่ำมันก็ไม่มีรอยเดินในน้า หายไปมีเพียงเชื้อหน้นามกำลังกังถ้าจิตใจของเราไม่เป็นเช่นนั้นนาไม่ควรทุกข์ทีท่ช่วทั้งหลายครูบาสองอบาทีกลาเอ๋ยถ้าจิตของพวกเธอทั้งหลายยังไม่เป็นเหมือนดินยังไม่เป็นเหมือนน้ํายังไม่เป็นเหมือนไฟยังไม่เป็นเหมือนลมพวกเธอทั้งหลายจะมาเกิดแก่เก็บตายอี ก, อกนู่นนี่หมายความว้ยังไง ลมมันไปพัดอุจจระมันก็ไม่เหมือนว่ามันกูไปพัดของเหมินมันไปพัดของหอมมันก็ไม่ยืนยันว่าจะไปติดอยู่ของหอมมันไม่มีทจียมันมีอาการใช่แล้วเช่นดินอย่างนี้เขาจะไปขี้ใส่มันมันก็ไม่ได้ว่ามึงมาขี่ใส่กูเขาจะไปกุดมันมันก็ไม่ได้โกรธเขาจะไปทําอะไรมันมันก็ไม่ได้โกรธน้ําก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันไฟเขาเอาไปเผา ที่มันก็ไม่โกรธเขาเอาไปเผาอะไรมันก็ไม่โกรธเขาไปเผาเหล็กมันก็ไม่โกรธนะถ้าคิดใจพวกเธอทั้งหลายไม่เป็นเหมืนอนนิ่หน้าไฟลมพวกเธอทั้งหลายจะได้มาเกิดแก่เกิดตายวันจ้าสงสารอีกนะนะแล้วพอเ ร, รามาสักเวลาหนะ่าควรพลิกงานไม่ควรนอนใจนะผู้นอนใจวันจ้าสงสาร ก็ผู้นอนใจในหลุมฐานเพิงก็ผู้นอนใจในคุกก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะเหตุใจยังเป็นอย่างนั้นเพราะบารมียังไม่แก่ก็การปฏิบัติพระบรมศาสดาก็บอกแล้วผู้ปฏิบัติไม่ผิดก็มีอยู่สามอย่างเอาไปนักปฏิบัติสูตรคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิด ห น, นึ่งอินทรีย์สั้งร้้ำร้ออินทรีย์หกคือตาหูจมูกเล่นกายใจม่ให้ยินดียินร้ยนายในเวลาเห็นลูกฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถู่ต้อนถูกสะพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจสองโพชนเนยมาตันเนือตารู้จักประมาณกินอาหารไม่พอแต่พอสมควรม่มากไม่น้อยถ้ายังอีกห้าคำก็จะอิ่มให้ดื่มน้ำสักเรียกว่าพอดีกระโถด่าง น, น พราะท่านก็มาในบอกว่าเขาหนักคำเขานี่คคำคำว่าให้รู้จกักประมาณในการกีฬาถ้าคาดคะเนรููว่าย่งจะอีกสักสี่ห้าคำจะอิ่มแล้เราก็ให้ยุบเสียดื่มน้ำพอดีนั่นเรียกว่าโพชเนียมัตันียกันทุกคนชาคณยานุโยกก็กอบความเที่ยเพื่อจะชำร่าใจของคนให้หมดจดไม่เห็นแก่รลับมากนะนี่แหละใครเอาไปปฏิบัติก็มาผิดท ท่าพูดท่านพูดอย่างนั้นเพราะบราณศาสกร์ดาวางไว้แล้วถ้าเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดเลือกไปปฏิบัติก็ไม่ผิดทีนี้คําว่าไม่เห็นแก่รับมากคนระับหมายเืียงแค่ไหนวันหนึ่งคือหนึ่งรับสี่ชั่วโมงพอแล้วอย่างมากแต่ทุกวันนี้ลูกปูนน่ไม่รับจะแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็สองชั่วโมงเท่านั้นหรือชั่วโมงเท่านั้นถ้ามันแก่แล้ว มันก็รับไม่แทบแทบคืออะไรแทบ ก, ก็คืออร่อยหนึ่งมันไม่รับอร่อยคิดม <c oughs> ึงก็ไม่แทบ ก, กินก็ไม่แทบนอนก็ไม่แทบ <c oughs> นั่งก็ไม่แทบเดินก็ไม่แทบซัดไปเทมาไม่มีอะไรจะแทบเลยแล้วปูทุกวันนี้เตรียมตัวตายจะไปเกิดไหนไม่ทราบแตบบ่ตายคาภาวนาแล้วเอาละ เจตายแล้วทุกวันเนี่ยอยู่รู้้านเขาทาก็ดูเข้าไปเฉยๆเนี่ยเหมือนเกลียวหวานเนี่ยเย็ดเจตายแล้วทุกวันมีงานที่เจตายยดชุแปดแล้วเนเออแล้วปูมั่นก็ยัดยัดหกยดุเจ็ดยัดชุแปดก็ป่วยเข้าป่วยเข้าถึงแปดสิบองท่านเข้าไปซักแต่ท่านไม่มีโรคมากเหมือนเราท่านมีโรคนิดๆดวงทวารหน่ะ กับโรคชาเท่านั้นกับไอบ้างเล็กน้อยแต่ไอนั้นไม่ถึงกับใช้คำว่าวันโรคหนึ่งโรคหนึ่งโรคใช่เรือดสองโรคน้อยใจนะครับสามโรกงูสวัส์แต่ยังไม่หายขาดนั่งรบกวนอยู่ว่า จะไม่ถึงกับเปื่อยแต่ไม่ถึงกับมีน้ำเหลืองตุ่มเพราะมันยังรูปแล้วรูปลงไปลึกแล้วลดวงสวัสดหนึ่งสองสามอ่กะก็สีโรคตาเหลืองห้าโรคน้ำดีโรคถุงน้ำดีเป็นนื้วหกโรคช่องผูเกเจ็บโรคกะเพะแปดโรคชาลา แล้วก็ยังมีคนหมอคอยอยู่ที่เชิงตะกอนคนหมอนั่นแหละจ ะ, จะรักษาให้สําเร็จแต่ละชาติหลายชาติคนหมอนั่นแหละไปะหาคนหมอนั่นแหละสําเร็จเลยแล้วแต่ละชาติหลายชาติน่าเสียดายเวนี่ยชีวิตมีอยู่ชั่วครึ่งวินาทีเท่านั้น พอเรารู้สึกว itself, ่าหายใจเข้ามันเป็นอดีตไปแล้วพอเรารู้สึกว่าหายใจออกมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเรารู้สึกว่าต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลมเวลาลมออกเ้าสมมุติว่าเป็นต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมเราสมมุติว่าเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลมมันก็อันเดียวกันถ้าเราสมมุติว่าเรา แก่ก่อนเพื่อนผู้ที่แก่ก่อนเราไปก็มีผู้ที่ตายไปก่อนเราก็มีแต่เราสําคัญว่าเราตายทีหลังเพื่อนผู้จะตายที่เกิดเกิดตายทีหลังไปเราไปอีกก็มีนะมันไม่รู้ไม่รู้รใครก่อนใครหลังกันอย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้วระเจ้าสงสารห่อ่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ยจริงแต่ว่าใครจะตายกว่กพกาพใครนี่นูอนนั่น เยอนี่ก็ใกล้จะตายกว่าเราก็กลับมาแล้วทุกทุกทันมันเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ทหาใกล้กว่าไปทุกทันนั่นทีนี้สมัยนั่นสมัยอยู่กับหลวงปู่มัน่นีท่านอาจารย์องค์หนึ่งพูดแต่เราไม่ออกชื่อเรือรามท่านท่า น, นเป็นนักทําเอะ่านปฏิวัติมานานเลยแต่เราไม่ออกชื่อเรือรามของท่าน เขาเกมงจะบอกสมัยเงินก่อสมเงินของถ้าพระอาจารย์ใหญ่มันตายแล้วพวกเราจึงจึงไปเชียงใหม่ส่วนสมัยเงินใหม่อยู่ในสมัยที่เรากระติกนาทีนี่โอ้ท่านอาจารย์นี่บวชก่อนเราท่านอาจารย์นี่บวชก่อนเราเป็นนักทําเอือ่นือว่าปองนาก่อนเราฉะนั้นท่านมึงพูดอย่างนั้น เมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราจะให้พงานท่านยังไงเราก็ตอบเราแล้วก็บอกว่าท่านไม่ถึงทําถ้าว่าท่านพูดอย่างนี้เราฟังได้ถ้าอยู่ดีมีแรงและข้างหน้าถ้าบุญของเรามีถ้ายังมีชีวิตอยู่ เ, เมื่อองค์ท่านขึ้นลำบาลหรือเราจะขึ้นลำบาลก่อนเพราะองค์ท่านก็ไม่ทราบในอนาคตเพราะมันไม่แน่นอน บางทีก็สมประสงค์บางทีก็ไม่สมประสงค์เราจะไปเชียงใหม่ถ้าท่านพูดอย่างนี้เราก็ทรงชื่นชมที น, นี้พอท่านพูดแล้วอย่างนั้นท่านพลอยตายในปีนั้นน่ะอริชังสุขังอานตาเนี่ยรองปู่มันมาอีกสองปีจึงตายตนษษานี่ภาษานันทียอนั่นเออ วิามานาเราเคยดุเหมือนกันพรุ่งนี้จะดำนาทีาาดาด่นั่นพรุ่งนี้จะดำนาไร่นี้เวิรามารดาดุเราเนาะจะไปพูดอย่างนั้นลูกเอ๋ยถ้าอยู่ดีเลยมีแรงพรุ่งนี้ไม่คัดข้องพรุ่งนี้เราก็ดำอันนี้ถ้าอยู่ดีมีแรงถ้าไม่คัดข้องถ้าเราไม่ตายพรุ่งนี้ทำอันนี้อันนั้นทำอันนั้นถ้าพูดอย่างนี้มันก็ถูกอยู่เอ๋ยพ่อเคยเตือนเหมือนแต่เราก็ลงเหมือนกันตอนนี้ บางท่านปีนั้นจะทำอันนั้นปีนี้จะทำอันนี้ถ้าอยู่ดีมีแรงถ้าไม่ตายพวกนี้จะไปเป็นขบบาดเราพูดเสมอๆ เ, เนี่ยเออแล้วไม่รีบตัวในตอนนี้พวกนี้ตื่นขึ้นจะไปอันนั้นอันนี้ถ้าไม่ตายกา็ก็ถูกอยู่ถ้าตายแล้วก็ไม่จะไปจะว่ายังไรนี่แต่นี่ปัญหาค่ำเราจะเป็นยังไงไม่ทราบแล้วก็รู้จักแต่เดียวนี่ตอนหนึ่งทุ่มเราจะทําอย่างนั้นเราจะทําอย่างนี้ก็พูดเข้าไอ้เฉยเนี่ แต่ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันบางที่ตายก่อนหนึ่งชั่วงก็มีนะน่ะมีข้อนี้สําคัญมากเคยได้ยินคนพูดบ่อยๆทนนั้นแต่ว่าเราไม่ลงทำอันนี้เลาวจะไปทำอันนั่นทําอันนี้เลาวก็จะไปทำอันนั่นทำนั้นทำนั้นทำนั่นเออถ้าไม่ตายถ้าไม่มีสิ่งที่ขัดข้องเออถ้าพระอนาคตนด บางทีก็สมประสงค์บางทีก็ไม่สมประสงค์บางทีก็ตายบางทีก็ป่วยบ้างบางทีก็มีอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรควันนั้นจะทำอันนั้นวันนี้จะทําอันนี้อันนี้พูดฉลาดน่าฟังไม่ผิดธรรมะด้วยความตายมาถึงแล้วสะกล้าเชตุงทนียหว่าไม่มีใครจะถ่ายถอนความตายได้ด้วยเวทมนตร์ด้วยครับเวทมนตร์ดีสักเพียงไหนก็ถอนไม่ได้ สัพย์มีมากทรัพย์ยงไหนก็ซื้อไม่ได้นาฏสมาหิปัญจโตโกโซสัพย์ประ่างัาฏวัฒโนพุเตทำเมยสังเทกเทโรสัทธังเมยทะเรโลธรรมจารีกายนาวาจายุตเถการิเดวนังประั่งสันติเศตรสเทปโมตตีติเมื่อเป็นดังนี้ขอาเราจึงถึงพระพุทธธรรมรสมเถิผู้ใดถึงพระพุทธธรรมประสงค์แ้วพุทธันละโลกนี้แล้วไปบันเทอในสวรรค์แปะเป็นไทยออกยางดำ ยังดีกว่าไปนะกกตุ่มๆเลยบางคนพูดว่าเออมึงปฏิบัติไปเถิดมึงไม่ได้พระอรหันต์หรอกถ้าไมาได้พระอรหันต์พาระอน า, า, า, า, า, า, าคามีไม่เอาหรือถ้าไมาได้พระอนาคามีพระสกทาคามีไม่เอาหรือถ้าไม่ได้พระสกทาคามีพระสวสดาบันไม่เอาหรือถ้าไม่ได้พระสวสดาบันด้วยอันนี้สงศีลอันนี้สงสาราไปเกิดในเทวั์กับเขาไม่เอาหรือ ถ้าไม่ได้ไปเกิดใดนสารตายไปไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เอาหรือจะเอาแต่ลงน้ำลง ก, กับสัตว์ที่ในฉันน่ะหรือนะถ้าาว่า ม, มึงทํานามึงก็ทําไปเถิดมึงขายของมึงก็ทําไปเถิดมึงได้ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกแปลว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีค่อยจริงไม่ดีกว่าไปขอเขากินไม่ดีกว่าไปยืมเขากินหรือนี่อันเดียวกันนะะ่ะถูกไหมพูดก <laughs> <laughs> ับท่านผู้อื่นมันก็พูดมากเพราะโหหาร ต้องหานลงโมหารต้องหานลงหานลงที่ใจหานลงที่ปัจจุบันแบบมืองชีพระธรรมาขันธ์ก็หานลงมาที่ใจเศรษย้อนลงมาเป็นทีตัวเดียวที่ใจสมาธิตั้งมั่นตลงมาที่ใจตัวเดียวปัญญาเราลู่ในที่ใจตัวเดียวเรียกว่าโอปันน่งจะโกนั่งลงมาเข้าที่ใจน่เดียวจะทาดีทำชั่วเข อ, ออกไปจากใจจะมากก็มากออกไปจากใจจะน้อยก็น้อยลงมาหาใจ นับถึงล้านก็นับออกไปจากหนึ่งนับถึงสี่ล้านจะย่นลงมาก็ยดลมาห้าหนึ่งแปดมืน่นทีเพราะทำมาขันย่นลงมาเป็นเอกานิบาทลงมาห้าหนึง่งชิ้นรวมลราเป็นหนึ่งสมาธิรวมเป็นหนึ่งจะปัญญาลดลงเป็นหนึ่งที่ใจชิ้นสมาธิปัญญาจะแยกกันไม่ได้เมื่อชี้ละเอียดสมาธิก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดยด้วยกันเมื่อหนังแก่นก็แก่กระดูกก็แก่ เมื่อหน้าแก่ตาเกาแก่ฉบูก็แก oh, re ่เหมือนกันเดี่ยวเดียวกันเหมือนกันชินสมาที่ปัญญาแยกกันไม่ได้ถ้าเป็นเชือดสามเปลียวชีนถ้าอรหันต์เป็นชินบริบูรณ์แล้วเป็นมหาชินแล้วเป็นมหาสมาธิบริบูรณ์แล้วเป็นมหาปัญญาบริบูรณ์แล้วปัญญาให้มีอุปทานชินมันมีอุปทานสมาธิมันมีอุปทาน ชิ้นพระสดารันตักชิ้นลงนะพระสดารันตักชิ้นลงในชิ้นห้าตักชิ้นลงใ น, น, น, งในไม่ซื้าสาระอื่นว่างจากค่าสราารคัพิตสุขเชตนากิตของพระสดารวันว่างแต่ไม่ว่างตำรวจถือไม่ว่างอันนั้นเวรไทยไม่มีนะเวรไทยไม่มีง่ายเลยอดี อยู่ที่ที่ไหนศาสนาก็อยู่ที่ใจของใครของมันอาริยะทําเลงที่ตนั่นเลที่โตเขาแปลตั้งอยู่นโลกเแปลนอรนรชนอริยะเขแปลอริยะทํามอันเปดตั้งแี่นอรรชนนั่นเองของใครของมันพระพุทธพระเบมสาสัดาเป็นเพื่อนชีอบอกท่านนศาสนาก็อยู่กับเธอทั้งหลายแล้วช่พราว่าพระเบมสาสัดาและแต่ถามท่าน ถ้าก็เอาของเราให้เราแม่ท่านเอาแม่แม่ท่านไม่ใช่ท่านเอาเอาของท่านให้ถามหายใจถ้าก็เอาใจเราใจของพวกท่านั็นี้อยู่แล้ว้ใจของพวกท่านทาอย่างนั้นอย่างนั้นการของพวกท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นนาฬิกาของพวกท่านที่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่จงมายืมเอาอาชาเอาใจของเราไปเนอะท่านก็บริว่าเพราะท่านเอาของ ของของเราให้เราเช่นเอาสินอย่างนี้สินก็อยู่กับพวกท่านนังนห้เลื่อนจากข้าราชการข้าราชการพิจานณากามเสียหนั่นแหละสิขมาจากท่านไม่ใช่ท่านเอาออกจากกระเป๋าให้เหมือ น, น, นเงินเนครื่องเงินน้ามันทำน้มนุษย์เราจะรู้จากความมนุษย์ดีมนุษย์ชั่ ว, วก็เอาสินทำเครื่องวัด ส่วนตระกูลท่านวันนั้นไม่เป็นปัญหาเนี่ย